ใครบ้างผู้ชายมีใครบ้างนั่งเก้าอี้ใครใครบ้างยันทวนใครตุกขอหรือใคร สองนี้ไม่เห็นไม่มีใครมานั่งงนี้นั่งเก้าอี้ใครใครครบาพลงกันมาจากน้องมาซคพลังนั่นะนงภาวนาาภาวนาเป็นไหม ส่วนมนเสี็จเขาก็กลับแล้ ว, ว, นนว ม, มาใครมา3ค น, คนที่มาวันนั้นหรเปล่าใช่เขารู้วิธีภาวนาอยู่เนา ะ, ะรู้ก็บอกให้ตั้งใจภาวนาทุกคนตั้งใจภาวนา สองทุ่มสองทุ่มล่วงไปแล้วเราถึงจะสวดมนต์เราก็ช้าเดินกลับไปกลับมาหายีวรมาถึงนี้แล้วกล้าไปอีกนั่งห่างๆกัน ส, สบาย น้ำผาวนายสบายถ้าใครอยู่ใกล้ใครเห็นว่าหายใจแรง <c oughs> ก็ให้สะกิดกันให้บอกกันคนหายใจแรงมีพระเราเหมือนกันพระเนนเราเนี่ใครหายใจแรงแรงก็บอกกันที่หายใจไม่ปกติฮะ การเข้าการออกไบ่อก็รบกวนการเข้าการออกไบ่อก็รบกวนจะไม่ออกก็จําเป็นต้องออกเราท้องเสียด้วยนะวันนี้นะ่รู้ออกสักกี่ครั้งกันมาลูกหนี่ง <laughs> เราอาจจะออกมาหาคมูก็ได้ <laughs> ตั้งใจนะตั้งใจมาตั้งแต่หัวค่ำแล้วตั้งใจต่อไปดูความสามารถของตัวเองนั่นแหละเอาันอย่ได้ไหมจิตของเราแท้ๆจิตของเราแท้ๆเราอยู่กับมันแท้ๆแต่เรายังเอามันไม่ได้เนี่ยมันอะไรอ่ะ พุทโธพุทโธพุทโธแวบไปแล้วนี่นี่คือความสามารถของเราพุทโธพุทโธแวบไปนู่นพุทโธพุทโธแวบไปนี่ทำไงก็ต่อสู้อยู่อยู่ตรงนั้นแหละแวบไปทันเลจับมันดึงกลับคืนมาแวบไปไหนรู้สึกทันและจับมันคืนมาแล้วก็ย้อนหลังให้มันด้วย มันเผลอนึกคิดตรงไหนอะไรยังไงล่ะดูมันให้เห็นเห็นเงื่อนว่ะก่อนที่มันจะออกไปมันออกไปด้วยเหตุใดจับมันให้มันไปจํำนนกับความหลงของมันน่ะหลงสติแป๊บไปลงจับย้อนมาเอ๊ะเราได้เผลอคิดเรื่องอะไรเผลอคิดไปในขณะในขณะที่เผลอไปไม่ไม่รู้ว่าหรือว่าเราเผลอ มันเพลินไปกับความคิดไม่ได้คิดว่าเราออกนอกไปถึงไหนกันบ้างเระลึกได้แป๊บเข่ามาจับมันมาดูโอมันเผลอเรื่องนี้เจออีกไม่ให้มันเผลอเรื่องนั้นนะเจออีกอยู่ตรงนั้นแหละจนมันเกิดความรู้สึกขยับปับ๊บจับปับ๊บขยับปับ๊บจับปับ๊บ ขยับปั๊บจับปั๊บจิตมันขยับพอมันเริ่มรู้สึกขยับปั๊บจับปั๊บก็จิตนั่นแหละจับจิตนะเอาสตินั่นแหละจับจิตสติก็เกิดจากจิตนั่นแหละแต่จิตนั้นอ่ะมันมีสังขารปรุงมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงมันปรุงเป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะสติของเราก็เกิดเป็นขณะเหมือนกัน มันทันกันตัวสติตัวสัมผัสัญญาตัวสมาธิตัวปัญญาตัวนี้เป็นคุณสมบัติของจิตเราพยายามเอาตัวนี้มาจาับเจริญสติกำกับตลดอดเราจะพิจารณาย้อนกลับไปย้อนกลับมาย้อนกลับไปย้อนกลับมาสองอารมณ์สามอารมณ์ก็ได้เป็นการพิจารณา เราสติกำหนดจดจ่อพิจรารณาหรือจะให้มันอยู่กับอารมณ์เดียวพุโทโธพุโทโธจ่ออยู่กับพุโทโธพุโทโธพุทโธนั่นแหละให้มันได้รับความสงบจิตมันไม่สงบจิตมันดือ้อมันหย่อนความเพียรจิตมันย่อหย่อนย่อหย่อนความเพียร ตัณหามก็แทกเร็วแทกง่ายเดี๋ยวก็แทรกเข้ามาเดี๋ยวก็แทกเข้ามาเราพยายามพยายามต่อสู้อย่างนี้แหละจนมันอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธปล่อยคําว่าพุโทโธมันก็ไม่ไปไม่ต้องปล่อยมันให้มันปล่อยเองเราอย่าไปตั้งใจปล่อยมันให้มันปล่อยเอง ปล่อยแล้วจิตก็อยู่จิตไม่ไปเพราะจิตอิ่มจิตเริ่มอิ่มจิตจะอยู่ถ้าจิตไม่อิ่มจิตไม่อยู่ไปสองทุม่มลงไปแล้วเราก็สวดมนต์ตั้งใจเอาของใครบุญใครบุญเรา เน้นนั่งไหนเนี้นฮะเน้นนั่งไหนเน้ยเน้นทำไมไม่นั่งโน้นฮะนั่งโน้นติดไม่ออกมากไหมฮะ <c oughs> เน้นนั่งตรงนั้นเหรอละตรงมุมนั้นอ่ะขยับ ขึ้นมาเน้นไปนั่งนู่นนะให้เขานั่งให้พระขยับขึ้นมานั่งเนี่ยนี่ข้างบนนี่เต็มอย่างยังไม่เต็มขยับขึบข้นมา